เฉยอย่างนี้ใครๆก็รู้ส่วนหนึ่งของจิตคือภาวะมีราคะมีโทสะมีโมหะหดหูฟุ้งซ่านหรือสงบอย่างนี้ใครๆก็รู้ได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรู้ได้โดยความเป็นของเทียบเคียงกันแต่สาหรับหมวดธรรมจะไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เทียบเคียง